ข อ, อ, อบนอมแด่ถนันไต่ตรไ <c oughs> พระพุทธประทันระสมะขอคาวะาพอคมแล้วขอมังอาเพลิงธาตุนิจทุกทันนะครับขอจเจริญ พ, พรยัตยอเตันเ <c oughs> ช้าก็ดีโอกาสดี แล้วก็ <c oughs> ทำสวดมนต์ก็มีใจก็สมาธิเพราะว่าเราก็ทำใจทำกายให้เป็นสมควรทางกายก็ ก็ใส่ออกเสียงลมหายใจก็ลึกๆตัวร่างกายก็ตรงก็หายเป็นสปายะทางกาย บรรยากาศก็เงียบสงบไม่มีเสียงอะไรบรบกวนทางกายก็เป็นเป็นบรรยากาศที่ทำให้จิตใจของเราก็เป็นเรียบร้อยเป็นสัปยะนี้ก็ เป็นอันที่สำกันบุคคลสัพยะก็เป็นกาลยานามิตรเป็นถือศีลปฏิบัติธรรมด้วยกันเป็นกลางความอบพุ่นใจแล้วก็ก า, าร ที่จะตาที่แปฏิบัติตมนี่ก็พวกเราก็ไม่ใช่เป็นเออเป็นเหตุปัจจัยทำให้เกิดก็เหมือนกับเป็นเป็นพืชหรือว่าสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าเป็นคนเราก็มันแตกต่าง พืดแล้วก็สตาตแต่ลชานเพราะว่าเราก็ไปหาแล้วก็ไปเลือกประเทศที่ดีประเทศ ท, ท, ที่สมควรไปสานทางที่ที่สะดวก่อการพัฒนากายพัฒนาใจ ถ้าเป็นพืชเลือว่าเป็นย่้าอะไรก็มันเลือกที่ไม่ได้เพราะว่าเดินด้วยตรงเอ็นไม่ได้ถ้าเป็นสัตว์เดิละจ้างก็ยันไม่มีสละใต้ความอำ น, นาจของ สิ่งที่ความเป็นมาก็เลือกจิตนี่ไม่ได้มันก็แต่ได้อำนาจสัญชาติอย่างแต่ว่าคนเราก็ก็เลือกที่ได้เลือกข้อมึงเขาสาร ก็ได้หาสัพพยสินแบทรอมที่ดีเป็นมงคลพบกับคนดีไม่ขอบคุพางผมเชื่อเหยือพเตริญสมควร น, นี่ก็เป็นทำให้เราพัฒนาชีวิต ได้ดีเหมือนกับว่าเป็นคนที่เป็นทำมาหารเจะปลูกผักหรือว่าหาผักที่อันบริสุทธ มีชีวิตชีวาก็ท อ, อาหารที่ได้มีประโยชน์ทอชีวิตได้ดีง่ายเพราะว่ามีคุณภา พ, ท, ภาพที่พักที่ผูกแอไม่ได้ใช้เคมีอะไรมาก แต่ว่าบางครั้งก็มังหาผักพืชที่ดีเป็นคุณภาพไม่ได้ก็มีเพราะว่าเป็นอากาศไม่สมควรหรือว่าไปตลาดก็ต้อง ก็หมดไปสิ่งที่ดีก็เลยเราก็ทนเลือกไม่ได้ยังไงก็เอาที่ดีที่สุดมาทำเป็นอาหาร แต่ว่าเร า, าคิดว่าเป็นเทนคนที่เป็นธรมหังเก่งๆนี่ก็ก็ยังไงก็สิ่งที่มีอยู่ก็เอามาใช้เพื่อเพอโยอดได้เต็มที่ทำให้เป็นอร่อยทำให้มีคุณภาพจิตใจของเราก็เหมือนกันตามปฏิบัติบันที ความโลนกลางวานหอนตกหรือว่าเสียงจากด้านนอกมาอาจจะเป็นไม่มีเพื่อนที่ดีเยื่อรอบรอบตัว ไม่่คยมีสนใจการปฏิบัติธรรมว่าของว่าตาอยู่รอบตัวแต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่ฝึกดีก็เอาเหตุปัจจัยที่มาจากด้านนอกเป็นบรยากาศ ไม่ค่อยดีก็เอามาประยกุกติใจของตัวเองได้เช่นมีคนว่าดาหรือว่า พูดไม่สุภาพเอามาเป็นบทเรียนของตัวเองว่าถ้าพูดอย่างนั้นก็มันรู้สึกทำให้จิตใจของคนเอินที่ได้ยินได้ฟัง ก็เป็นอย่างนี้แล้วก็รู้เหองันกับว่าเป็นต้นไม้ก็เอาขยะมาใช้มาเป็นผุย๋ยมาได้ ถ้าเป็นตัวก็กินอะไรก็ทำให้เป็นนมได้ถ้าเป็นงูก็กินอะไรทำให้เป็นพิษได้บางทีก็ เอางูมาเป็นยาก็ได้แล้วแต่คนเราก็รู้จักใช้บันทีก็ได้ยินข่าวจากโทรทัศน์ว่ามีคนผู้ร้ายก็ยิ้ม ที่สนามบินคนบาดเจ็บเป็นเทรอริสทำลายแล้วก็ได้ดูแล้วก็บางองคข้อมีความกรดมันเกิดขึ้นว่าคนแบบนี้ ไม่ดีว่าโตโทรทะได้บางของกลุ่มใจเสาหมุนว่าแลงโลกนี้ยัมมีคมแบบนี้เสียใจบางกองก็น่ากลัวในยิงเขาแล้วก็ ที่ไหนไปที่ไหนก็มีคงว่ า, ามีคนเป็นอย่างนี้น่ากลัวจังข่าวโ้อมูลก่าวสารที่มันได้ยินได้ฟังมาเป็นพิษของจิตใจเป็นทำให้ทุกทำให้เป็นมะเร็งตับพัน เอามาผูกที่ใจเราที่ทำให้ทุกข์ได้แต่ว่าถ้าคนที่รู้จักใช้คมเขาสาังก็อันเดียวกันได้ยินได้ฟังคาวก็เป็นบทเรียนก็ทำอย่างนี้ก็ ทำให้ของอื่นมันทุกใจได้แล้วก็ทำให้เป็นใจของเราเป็นเป็นชันทะที่เป็นเราก็ตะเหียทันโนาโถ ah ที่เป็นพื่น คนเราตื่นที่พึ่งของตัวเองแล้วก็เลือกทุกเลือกที่ทำให้มีใจเป็นกลาหารว่าจะตัวเรานั่งเองเป็นคนนักปฏิบัติธรรมได้รู้ได้โอกาสสัมปัส คำสอนพระพุทธเจ้าก็จะต้าน อ, อกต้านจายเพลยแผ่ทำให้คนที่ในโลกนี้ไม่ได้เบียดเบียงกันไม่ได้ทำลายซึ่งกันและ ก, กันเพราะว่าคนที่เป็น ทำ้ายเป็นคนเลวคมพานี่ก็เป็นคนที่ไม่รู้ตัวยังไม่มีปัญญาอาจจะเกิดในโรคการดิาติก็เป็นอาจจะเป็นเป็นศาสเดระจามเพิ่มเป็นคนยังไม่หกผองอภรรมกัน ก็คิดอย่างนี้ก็ง่าได้ก็พยายามที่จะให้มีโอกาสให้เจริญทางด้านจิตใจก็มากขึ้นจาก ของเรานั่นงแอนเป็นคนที่สามกันที่จะเผยแพ่ธรรมะให้คนอื่นเข้าใจไม่ว่าเป็นศาสนาอะไรก็นับถือศาสนาอะไรหรือว่า เป็นคนประเทศไหนก็เป็นศาสนาธรรมะก็เหมือนกันศาสนาธรรมะเป็นคำสอนไม่ว่าคำสองมันแตกต่างแต่ว่าจะเป็นแกนแท้ของศาสนา ก, ก็อันเดียวกัน นาความทุกข์ทำให้เกิดสุขให้จิตใจบริสุทธิ์ทำดีได้ดีทำเชื่อได้เชื่อแต่บางทีก็เข้าใจผิดงมงายก็เลยยำไม่ถึงแก่แท้ก็เลยทำลายเพืออืน ปันธิก็มีความกิรลสตังหาอะไรไม่รู้จักวิธีการที่จะกลุ่มหรือว่าละทิ้ไปก็เลยทำลายตัวเองทำลายผู้ อ, อื่น ฉะนั้นก็เห็นพอรัตถะดูแล้วก็มันก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราก็ว่าตัวเราก็ยังโชคดีก็สัมผัสก็บคำสอนพุทธศาสนาแล้วก็ เราก็เป็นพืชที่ผเผยแพร่ธรรมที่ทำให้โลกทำให้นคนอยู่ในโลกเข้าใจสิ่งที่ดีงามก็เป็นเอามาใช้ประโยคต่อชีวิตของเรา มีบิดยาคันธีนี่ก็เกิดขึ้นบันทีก็มีความคิดมันก็เป็นเกิดขึ้นมันความคิดที่เกิดขึ้นเป็นเลกเล ข, เลข ตอนที่เราสัมผัสอะไรเป็นข้อมูลจากด้านนอกก็ดีหรือว่าความคิดอยู่ที่ใจก็ดีฐานโรกนี้ก็มีอินสี่หกอย่างแล้วก็ ยี่สิที่เป็นอารมณ์อารมณ์อมกอย่างเป็นทาหูจมูกลิ้งกายใจกับรูปเสียงกลิ่นแล้วก็ โหหลุดอโปตะภะธ ร, รมมะอารมณ์กันถ้าสัมปัดได้แล้วก็เกิดเวทนาชอบไม่ชอบแล้วก็เกิดสัญญา อันทีก็นึกถึงอดีตที่เราทำผิดพลาดถ้าคนที่ไม่ฝึกอบรมจิตใจก็ไม่อยากแข็นดูก็ ทำให้จิตมันก็ปลุนแตนน่ากลัวจิตใจของตัวเองที่ตอนที่เราก็ไม่สำเร็จไม่ทำดีก็เป็นบทเดี่ยวไม่ได้ทำให้หน่ากลัวความโกรธแล้วก็เจ็บใจอยากจะบงัง กดกันต uh, wow, wow, ัวเองว่าดาตัวเองก็มีว่าทำไมตัวเองคิดอย่างนี้หรือทำอย่างนี้พูดอย่างนี้ก็คิดไปคิดไปในใจเสียเวลาเสียพลัง แต่ถ้าเราก็รู้มีสติมาทานันสิ่งที่เป็นนึกออกที่ใจเกิดขึ้นสัมปัสได้แล้วก็รู้สึกก้มเบตาทุกข์เทตาบ้านแรกๆน้อยๆแต่เราก็เป็นบทเรียน ว่าเป็นตนนั้นก็ทั่วเราคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วก็เต็มผมก็ไม่ก้อยดีฉะนั้นอ่อต่อไปก็ไม่ได้ทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นคิดอย่างนี้คิดเอ่อพูดอย่างนี้ ถ้าเราก็เลือกได้ก็ต่อไปก็เอาทำดียังกล่าวว่าเป็นบทเรียนได้สิ่งที่อดีตอยู่ในใจจิงเป็นจริงๆเป็นกลางกระทำอยู่ที่ใจในปัจจุบัน เรามาจับคิดว่าเป็นเรื่องละดีแต่ว่าจริงๆมันเป็นการกระทําที่เราทําเองในปัจจุบนันขนาดนี้เป็นการกระทํ่ต่างกาบอาทังมนโนกรรมความคิดฉะนั้นเราก็สิ่งที่เป็นกางกรรมเป็นมนโนกรรม้มก็ รู้แล้วก็ปล่อยไปแล้วก็เอามาถามนโนกรรมเป็นการขรดทําในปัจจุบันนีเ้เปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่ดีเป็นการบทเรียนได้ เ, เอามาใช้ความคิดมาเป็นประโยชน์ ตอนที่เราก็ทำอะไรความโกรธมันเกิดขึ้นถ้าเราดูแล้วก็ไม่ใจเป็นผู้โกรธ ถ, ถ้าเป็นผู้โกรธ ถ, ถ้าไม่ใจเป็นผู้กรอกผู้เห็นสิ่งที่เห็นได้เห็นนี่ก็ไม่ใจเป็นตัวตงมันมีหางจากเรา เราก็มีสิทธิที่จะมาใช้พระประโยคได้ว่าเป็นความโกรธก็ดีเราก็ท้าพิจารณาดูดีๆก็ <c oughs> สิ่งที่ทำให้เกิดนี้ก็มันเป็ น, อ, ปนอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าความโกรธเป็นผล ไม่ใช่เป็นสาเหตุถ้าดูดีๆนี่สาเหตุนี่ก็มังความอยากมังความโกรธทขางสัสเตลร์ังกับคนเรานี่มังคนระยานแ ต, ตกต่างกันสเดอร์ลัชต้นช่วยเหลือร่่งกายของตัวเอง รักษาตัวเองก็ต้องถอสู้กับศัตรูเพราะว่าร่างกายมันถ้าเราไม่สู้นี่ก็อาจจะเป็นร่างกายของเราถูกทมลายตายก็ได้ก็เลยสู้มันแต่ว่าคนเรามนุษย์ คนนี้ก็เป็นความโกรธนี่ไม่ใช่เกิดจากรักษากายคนเราคนนี้ก็มีตัวมีตนก็เลยไม่อยากทำร้ายตัวตนเป็นความคิด เป็นจิตสังขารให้เกิดเป็นตัวเป็นตนแล้วก็เลยมันสู้มันกลวมกรอดนี่ก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีตัวไม่มีตนนี่ก็เราก็ไม่ต้นงส่อได้ไม่ต้องกรอดได้ เพราะว่าไม่มีตัวไม่มีตนแต่ถ้ามาสติไม่ทางก็มันเกิดมันตัวตนก็เลยความโกรธมันก็เป็นธรรมดาแต่ว่าเราก็ความโกรธเกิดขึ้น ก็พิจารณาได้ดีว่า อ, อ่อย่างนี้มีตัวมีตรงมั่นความโกรธมันเกิดขึ้นคนเรานั่งเองเป็นผู้ที่ฆ่าตัวตายได้ก็เพราะว่ามีตัวมีตนร่างกายยังไม่มีปังหาอะไรมีกายเป็นปกติแต่ว่า สารเรื่องเป็นทําให้ทุกข์อยู่ที่ใจ mm. ก็เลยฆ่าตัวเอง mm. จริงๆแล้วคนเราก็ใส่ความสำกัญ ต, ตัวตัวตนมากกว่าชีวิต ของร่างกายของเราถือตัวถือตนนี้ก็ความโกรธก็เกิดขึ้นฆ่าตัวตายว่าตาอะไรก็เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าดูดีๆนี่ก็ความโกรธนี่ก็อยากอภิมิเพราะว่ามีตั้ขาปผตาานีมีอยู่เป็นตัวตนได้ หรือว่าตังหาอุปทานก็พัฒนาที่อย่างนี้แต่ว่าไม่ได้รับพัฒนาอย่างนั้นก็เลยทุกเพเป็นอย่างนั้นเลยถ้าดูดีนี่ก็เราก็รู้จักเหตุรู้จักปัจจัยรู้จักผล ว่ามีความกรอดคือขึ้นเพราะมีท้งห้าปัทมามีตัวตนแล้วก็จิตใจก็ไม่สบายาะ น, นั้นแหละแล้วก็ไม่ยอมรับจิตใจตัวเองไม่มาดูตัวเองแล้วก็ เขาใจผิดว่าเป็นสิ่งที่ทําร้ายนี่เป็นของเอืรนหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเกิดขึ้นที่ด้านโนกก็เลยเราก็กลัวไปว่าดาไปนั่นโนเป็นคนนี้คนนั้นหรือว่าเหตุนี้เหตุนั้นเป็นผแต่นี้ผ้แต่นั้นทําร้ายเรา แต่ว่าจริงๆแล้วทำลายเรานี้ก็เป็นเหตุก็เป็นตังหาประธานมีตัวมีตนถือว่าเป็นตัวสัตว์เราที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ไม่ได้อยู่ในอดีตอนาคตไม่ได้อยู่ที่ด้านนอกที่ใจเราที่คนเราที่ปัจจุบันนี้เอง ถ้าเห็นแล้วก็พัฒนาที่ที่แทบไม่ได้รับพัฒนาอย่างนั้นเป็นทุกข์ก็เราก็เห็นทุกสาเหตุทำให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ว่าตาด้านนอกเรื่องอดีตนาค สิ่งที่สําคัญก็เราก็มีสติให้รู้เท่ารู้ทันว่าเป็นอย่างนี้ถ้ารู้เท่ารู้ทันรู้ว่าเป็นอย่างนี้มันก็เป็นปัญญาว่าเป็นอย่างนี้เลยเข้าใจตอนที่เข้าใจนี่ไม่มีความโกรดนี่ก็ไม่มีความโกรด ความกรดไม่ได้เพราะว่าตอนที่เราเข้าใจก็อออย่างนี้เลยมีความสําแัสก็เกิดขึ้นว่าเป็นคนเราก็ทุกข์เพราะเป็นอย่างนี้ทุกทุกคนแม้ว่าเป็นคนที่ไหนก็คมความทุกข์มันทำ สร้างต้นสางด้วยตรงเองในปัจจุบันนี้ที่นี่ถ้าปัจจุบันนี้กับที่นี่กับเราก็แก้ไขด้วยตรงเองในปัจจุบันนี้ที่นี่ได้แล้วก็ไม่ใช่เป็นเราก็เป็นผู้ที่ถูกทําร้ายเราก็เข้าใจทําสิ่งที่ด้านนอกก็ดีด้านในที่ที่เกิดขึ้น เมนทุกก็ดีมันเป็นประโยชน์โตทำให้เราเกิดปัญญาเป็นบทเรียนเป็นครูวาอาจารย์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างนี่แม้ว่าเป็นอดีตเป็นอย่างนี้อย่างนั้นก็ตามตั้งแต่ปัจจุบันนี้ขณะนี้ก็เราก็เป็นผพ้ที่ ก็เป็นเรียนรู้เป็นนักศึกษาที่ดีอนที่ปฏิบัติที่ดีเพราะว่าเราก็เป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นบทเรียนได้แล้วก็ เราก็รู้ว่าตัวเองนี่แหละเป็นเหตุผลใจทำให้คนอื่นเป็นดีขึ้นได้เพราะว่าเราทุกคนนี้ก็ก็รับอิทธิพลจากที่อื่นคนอื่นถ้าอย่างนั้นถ้าเราเป็นคนดีผู้ดี ก็จะทำให้เพ็นงของเอนี้ก็เป็นได้รับความดีจากเราได้มองกลับว่าเราก็ทำอาหารที่ดีมีประโยชน์ได้จากพืชผักยังไงที่มีอยู่มาใช้เป็นประโยชน์ตัวอร่อย แล้วก็มีประโยชน์ต่อใจต่อกายก็พวกเราก็เป็นสิ่งที่มีคุณภาพนะหนกับว่าผักที่คุณภาพคนที่รับจากความคิดของเราจากการกระทำของเรา เปลีป่ยนเป็นมีประโยชน์ต่อจิตใจของของเอิญได้มันก็เป็นเมตตาการุณาถ้าเรามีปัญญาเราไม่ทุกข์ถ้ามีเมตตาการุณาเราเป็นเหตุปัจจัยทำให้แ่งของเอืเ น, น, อ น, นี้เป็นที่ ดีขึ้นได้ก็ขยายสิ่งที่ดีเรื่อยๆเป็นเผยแผ่ธรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนะครับก็สำหรับเจ้านี้ก็ขออ่ า, าขอสมควงแก่เวลาเมื่อคำเพียงแค่ น, นี้ขอให้ทุกทุกท่านมีความสุขความเจริญได้ปฏิบัติได้เจริญถึงมรรคป น, นิพกา ไอเดาเดานี่ทุกทุกคนเธอ